รามาก็ไม่มีเรื่องอะไรมาพูดคุยที่แปลกนูแหวกแนวไปจากคนอื่นหรอกก็จะมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณค่าด้วยสายหลักธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน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 คนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่พาร่างกายและจิตใจทำให้เดือดร้อนพาร่างกายไปเจ็บอบายมุขนอนดึกนอนดึกก็ทำให้ไม่มีความสุขนะร่างกายมันก็เครียดพักผ่อนน้อยหาสิ่งที่มันเสพติดสู่ร่างกายหาโรคภยัยแค่เจ็บไปสู่ร่างกายชีวิตจริงไม่มีความสุขทั้งนั้นร่างกาย ส่วนจิตใจนั้นก็แสวงหาความเครียดเอาใจไปเครียดเอาใจไปทุกข์เอาใจไปโกรธสิ่งนี้หละมันบั่นพรชีวิตจิตใจให้ไม่มีความสุขคนฉลาดก็ไม่ทำอย่างนี้รอทำแล้วมันเดือดร้อนเดือดร้อนในภายหลังตอนแรกมันเป็นสิ่งที่มีรสอร่อยแต่พอเสร็จเนนานแล้วมันก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้า ชีวิตก็อับเฉาหาความสุขไม่ได้วิธีการที่จะให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวนะครับวิธีคิดเนี่ยสาคัญมากทําให้ชีวิตเรามีความสุขหรือความทุกข์ได้เว่าวิธีคิดเรารู้จักคิดวางจิตวางใจได้ถูกต้องเนี่ยความสุขก็หาได้โดยง่ายหามาโดยง่ายโดยไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนเลย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 มันก็แทบจะไม่มีเลยนะจากมากเหลือน้อยจากน้อยจะไม่เหลือเลยจากทุกเป็นไม่ทุกด้วยแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันง่ายต่อการแก้ปัญหาถ้ารู้จักมองปัญหาในแง่ที่ดีสิ่งไหนที่มองดีแล้วเนี่ยใจเรามันจะเริ่มตั้งหลักอย่างน้อยตั้งหลักขน้นจิตใจได้การมองชีวิตในแง่ดีมองโลกในแง่ดี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 แล้วก็รู้จักหยุดคิดในสิ่งที่ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองสิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่ไม่ชอบใจขัดโลกขัดใจเนี่ยมันย่อมมีเกิดขึ้นทุกๆวันแต่ถ้ามันคิดแล้วทําให้เราต้องยิ่งตกโจมแปรไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็ควรจะหยุดหยุดคิดเสบ้างถ้ะคิดต่อไปเนี่ยมีแต่จะบั่นทอนชีวิตจิตใจทวงจิตทวงใจเราให้เป็นทุกข์ ก็รู้จักหยุดหยุดคิดในสิ่ง ท, ทาให้จิตเศร้าหมองเรื่องความเครียดต่างๆาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยจิตใจเราก็จะเริ่มเป็นปกติเพราะจิตเป็นปกติเนี่ยเราจะคิดทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันก็จะปลอดโปร่งเนี่ยรู้จักเปลี่ยนวิธีคิดอย่างเนี้ยจิตเราก็จะดีนะความคิดนี่มันมีพลังนะความคิดมีพลัง ถ้าคิดดีชีวิตก็ดีมีความสุขถ้าคิดไม่ดีเนี่ยชีวิตมีแต่อาบเฉาเนี่ยวันพลังคือความคิดความคิดผลักดันให้เกิดการพูดความคิดผลักดันให้เกิดการกระทาความคิดผลักดันให้เกิดการมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นและเนี่ยสมัยนี้คนเราเนี่ยวันวันเนี่ยสังเกต ด, ดูนะเรามีความสุข ระหว่างความสุขกับความทุกข์เนี่ยในจิตใจเราเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันควบคุนทั้งปีเอาแค่รายวันก็พอรายวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตรงไหนบัญชีความสุขกับบัญชีความทุกข์เนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันแล้วแต่ละวันเนี่ยเราใส่บัญชีทังไหนมากกว่ากัน <c oughs> ใส่บัญชีความสุขเติมตลอดเวลา หรือใส่บัญชีของความทุกข์ของปัญหาแต่ละวันเนี่ยมันมีผลนะมันสั่งสมตั้งแต่เกิดจนตายนะและตอนตายเนี่ยโอ้โหเป็นไงเขาคิดบวกลบเลย <c ười> คนมีความสุขมากก็ขึ้นข้างบน <c ười> คนมีความสุขน้อยทุกข์มากก็ลงข้างล่าง <c ười> คนยังนึกไม่ได้ว่าเออเราสุขบ้างเราสุขน้อยก็เดินคลานไปตามพื้นสี่เท้าของขวา ง, วางมีหางจี้โดยเลย อันนั้นคือความหลงไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างไรนักคาสติกันหรือแต่ละวันเนี่ยมันมีแต่ความสุขหลายวันหรือความทุกข์หลายวันหรือไม่แต่ความเครียดรายวันมีไหมว่าความเครียดหลายวันแต่ละวันเนี่ยเยอะและเกินต่างชามาในโอ๋หลายครั้งหลายเวลานะเนี่ยความเครียดหลายวันนั่งหน้านิ้วหัวคิ้วผูกโบขยายออกาซะบางกันเลยนะ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 พอมากับความฝันก็คือความคิดในตอนหลับความคิดในตอนหลับก็คือความฝันความเครียดมาจากความคิดถ้าไม่คิดจิตไม่เครียดแม้แต่คิดดีมันก็เครียดนะคิดดีๆทั้งวันในเป็นงานจิตทนงานทั้งวันนะมันเครียดแบบดีๆเหมือนกันนะแต่ว่าเครียดแบบนั้นมันทนได้สุขแบบทนได้เป็นความสุขที่มันต้องทนได้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 ถ้าคิดต่อไปแล้วดูท่าจะไปไม่รอดต้องหยุดเลยนะหยุดแล้วไปผ่อนคลายสะบ้างวิธีแก้ไขความเครียดคือหาทางผ่อนคลายใช่ไหม <c oughs> วิธีแก้ไขความง่วงทำยังไงโอ้แค่หาอย่างเมื่อกี้นี่ก็หายแนละ้ะเมื่อกี้ทำหน้าจะหลับก็าหาปั๊บตื่นเลย <c oughs> ง่ายๆมาลุ้ไปไหนเลยแก้ไขความง่วงก็หา ทำปากกว้างๆตาโต ๆ, ๆมันก็หายแล้ว <c oughs> ความเครียดก็มีวิธีการแก้ไขก็ผ่อนคลายอยากคิดต่อไปหยุดสักพักเรื่องบางอย่างไม่ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ก็ได้ใช่ไหมทําไมต้องให้มันจบดี๋ยดีมันไม่จบหรอกพอเริ่มคิดตอนหัวค่ํามันก็ไปหลับตอนใกล้รุ่งกันแล้วพอ <c oughs> หมดแรงเพราะนั้นทุกอย่างถ้ามันคิดแล้วไปไม่รอดหยุดพัก อ๋อแล้พอแล้ววันนี้หมดเวลาคิดแล้วเราจะนอนเห็นไ่มตั้งตา่ตางต า, ตาจะนอนซะแล้วมันก็หายก็วางมันไปสับ้างเปลี่ยนวิธีโดยการผ่อนคลายนั่งทํางานอยู่ถ้ามันเครียดก็หยุดลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างมองไปไกลๆวิธีการคลายเครียดมองไกลๆมองให้สุดสายตาถ้ามองตัวเองไหมแล้วก็มันจะเครียดหนักมองใกล้ๆจะเครียดหนักใช่ไหมคนอยู่ในเมือง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 ถ้าเกิดจินตนาการตอนแรกก็ทั้งท้ทีดีนะตอนท้ายมันจะเครียดดักเข้าไให่เลแก้ความเครียดไปเจอความเครียดแบบใหม่มองไกลๆเดิวนวล้วก็ผ่อนคลายสายตาเปิดว่าเดินไป ท, ทําสิ่งที่เราชอบเราชอบทําสิ่งไหนแล้วก็ลองทำเนี่ยเป็นการคลายเครียดอย่างนี้เหมือนกันนะการไปชอปปิ้งนี่ก็มันคลายนะเราจะไปชอปปิ้งแบบไม่เสียเงินก็หย่าสตางไปไปเดินดูของ ไม่ต้ อ, อาตามไปหรอกรับรองมันไม่เพื่อหรอกไปห็นไหมไม่ต้องออมบัตรอะไรไปด้วยไม่ต้องอะไรไปมันก็ไม่ต้องเสียเงินอ่ะแต่ไม่อยากแนะนําอ่ะคือคนเรามันใช้อย่างนี้อยู่แล้วล่ะต้าไปช็อปปิ้งมันก็คลายเครียดไปเล่นกีฬาออกกำลังกายก็ยังดีซะกว่าและสิ่งที่ไม่อยากแนะนําก็คือเวลาเครียดอย่าไปกินขนมหวานโอสิ่งนี้นี่มันเป็นเคล็ดลับนะมันคลายเครียดดีมากเลย ไอ้ที่เห็นเพราะว่าเคยไปพูดในเรือนจํานะในเรือนจําเนี่ยโอ้พู้ต้องขังนี่เครียดมากเลยทางชมลมเอาขนมลูกชุบไปแจกโอ้โหเขาดีใจมากเขาดีใจมากเขาอยู่ที่นั่งนานเขาไม่เคยกินขนมหวานเลยเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้กินเพราะมันกินขนมขวานแล้วมันคึกคัก <c oughs> มันคึกคักมันมีพลังจะแหกคุกแก่กลง ไม่ค่าขนมหวานให้กินวันนั้นชมรมเอาขนมหวานให้กิ น, น, น, น, ข, น, น, กนข้าอนุญาตอผู้คุมเนี่ยมองตาขวางค้อนเลยเพราะาเราไม่ได้ไปฝ่าผู้คุมไปฝ่าผู้ต้องขัง <laughs> เขาคลายเครียดได้เพราะกินขนมหวานแต่ผลร้ายคือมันอ้วน <laughs> ของหวานกินแล้วอ้วนวิธีแก้ไขาเวลาคิดแล้วอยากกินนะกินบราร์เลย์เพชรนะ่ะ <laughs> รับรองนอกจากจะไม่อ้วนแล้วก็มันจะไม่อยากจะเครียดเครียดอะไรกินบลาโลเพชรทุกทีอันเนี้ยง่ายๆนะโดยการที่คนที่ลุกไปไหนมาไหนได้ก็ใช้วิธีการคลายเครียดแบบนี้ส่วนที่คนที่ไปไม่ได้อย่างผมเนี่ยไปไม่ได้หรอกเครียดก็ต้องทําใจใช้ความอดทนความอดทนมันก็เครียดแบบหนึง่ง แต่ทนแบนนา ม, มันก็เรื่องธรรมดาไปบางกายเรื่องธรรมดาความอดทนแต่ถ้าเราอดทนไม่ได้ไม่เวลารอนั่งหลับตาพิงเก้าอี้มาลุกไปไหนนะพิงเก้าอี้หลับตาให้ลมหายใจเพื่อคลายเครียดอันนี้ดีนะเนี่ยหลับตานั่งสบายหายใจเข้าลึกๆนะฝึกทาก็ได้นะ มันหายเครียดแล้วมันหายเหนื่อยด้วยหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออก ย, วยาวๆนับหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ย, วยาวๆนับสองไม่เกินห้าครั้งรับรองมันจะหายเครียดโดยปริศนหายเหนื่อยออกซิเจนไปเลี้ยงสมองการไหลเวียนิตดีขึ้นสบายเลย มันลุกไปไหนอันที่เป็นการปฏิบัติธรรมนะเป็นการภาวนาด้วยไม่ต้องมีคําบริกรรมหายใจเข้าลึกๆกระโจโยยาวรับสักห้าครั้งรับรองว่าหายเวลากโกรธก็หายโกรธเวลานึกอะไรไม่ออกเราจะทำอะไรพอฝึกลมหายใจสักห้าครั้งเนี่ยมันนึกออกเคยลองไหมลองไม่หัก ด, ดูสิของมันนี้มันน่าลอง มันได้กับตัวเราลมหายใจรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตไม่ต้องไปไหนส่วนคนที่ฝึกจิตฝึกใจมาแล้วฝึกภาวนาก็เรียกฝึกการปฏิบัติธรรมอันนี้ยิ่งดีเลยเมื่อเกิดความเครียดเกิดความคิดปรุงแต่งมากมายอย่าจะพักค่านั้จิตใจมีสติเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมาเป็นฐาน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 ฟังดูแล้วอาจจะเะาดูเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องไม่ใช่ของเราฟังไว้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งเนี้ยเราเรียนรู้มาตั้งนานเท่าก็ดี mm hmm. เวลามีความทุกข์มีปัญหาไยายามป่วยไข้ต้องพัดพลากจากคนรักหรือก่อนจะตายเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยชีวิตมันจะไม่มีเครื่องอยู่นะคือการมีสติตามดูจิต ฟางไหมนะรู้ไววใช่ว่าใสา่บากแบ่งหามฟังวิธีไว้ต่อไปจะเป็นประโยชน์เราจะรู้ว่าวันเนี้ยผมไม่ได้โกหกมีสติตามดูจิตพอจิตมันคิดเรามีสติรู้รู้เฉยๆอ๋อนี่จิตมันคิดเนะรู้เฉยๆรู้แบบดูๆแบบางห่างสติดูจิตอย่างห่างดูเฉยๆอ่ะ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 เห็นความไม่เที่ยงของความคิดจะคิดดีก็ตามไม่ดีก็ตามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทางนั้นและมันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกเห็นไหมเรื่องที่เราคิดกังวลร้อยแปดผ่านประการเดี๋ยวนี้มีไหมขณะนี้มีไหมไม่มีสิ่งที่เรากังวลล่วงหน้าต้องมากมายแล้วมันจริงสักกี่เรื่องกันแส้ง ว, ว่าความคิดมันไม่จริงหรอก มันมีอยู่ั่วขนาดหนึ่งแล้วมันก็จางคลายไปความโกรธเมื่อวานนี้วันนี้เหลือไหมไม่เหลือแต่ถ้าจะเหลือคือเราคิดเข้าไปปั๊บโอเรากดเรื่องอะไรไปสาวหาเหตุมันก็จะโกรธในใจเราขนาดนี้อาจจะน้อยลงนั่นล่ะคือกรรมกรรมของเราไปเก็บเอาเรื่องอดีตมาคิดมันก็เป็นกรรมของเราถูกไหมแตาไม่คิดจิตมันไม่มีกรรมหรอก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 มันไม่ได้สมการเลยหรอกกล้าไปล้มเนี่ยมันจากวิธีการล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ยืนเฉยเนี่ยล้มไม่เป็นเนี่ยชีวิตไม่ก้าวหน้าต้องล้มบ้างมันจะลุกได้เด็กจะเดินได้แข็งแรงเนี่ยมันต้องล้มๆมลุกลุกล้มลุกลกึ้าเด็กจะแข็งแรงในการเดินลองเปิดใจยอมรับดูว่าอ๋อนี่การปฏิบัติธรรมในการทางานเนี่ยมันทาได้ตั้งใจทางาน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 มันมีปัจจุบันกับการใช้ชีวิตตัวนี้แหละจิตมันก็จะเริ่มเป็นปกติมันจะไม่เข่งเคลื่อนสมาธิก็จะตั้งมั่นโดยธรรมชาติใช่ไหมมีสติมีสมาธิแล้วใจเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปนอารมณ์ต่างๆคนเราเวลาทํางานตรงนี้แต่ใจเลื่อนลอยไปนั้นไม่ได้ปฏิบัติรรมจิตใจเลื่อนลอยฟุ้งซ่านสามารถจะลอยไปเรื่องอนาคต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 มันจะเกิดสติปัญญาเริ่มรู้จักรู้จักงานใช่ไหมรู้จักการแก้ปัญหาอันไหนมันขาดแล้วก็เติมอันไหนมันมากเราก็ตัดก็ธรรมดาเลยเนี่ยคือสติปัญญาที่มันเริ่มเริ่มปฏิบัติธรรมในปัจจุบันแค่มีสตินะมันจะวิจัยวิจารช่วยเหลือเราได้มากมายถ้าทํางานแล้วปฏิบัติธรรมด้วยการมีสติด้วยเนี่ยงานมาก็สําเร็จ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 เขาเป็นผู้ละหมาก่อสร้างทำมานานแะล้เพราะว่าตอนหลังเขาถูกลูกน้องโกงถูกขโมยของไปขายโกงเวลาแล้วงานก็ไม่เสร็จตรงงานไม่ทันตามที่กาหนดไว้ถูกปรับงานเลยล้มเขาเป็นทุกข์เศร้ามากก็เลยบอกเดี๋ยวคุยกันใหม่นั่งลงคุยกันดีๆสิ่งที่กูมีปัญหาเนี่ยอะไรกันแน่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 มันแบ่งแยกงานเท่านั้นที่มันล้มเหลวแต่ชีวิตเขายังยืนอยู่ได้แล้วยืนอยู่ได้ดีกับผมด้วยเขาอายุมากกับผมอายุน้อยกับผมเนี่ยไม่ดีกับผมอะอายุมากแต่ว่าดีกับผมไมเลยอยู่ตั้งหลายปีอายุเกือบหกสิบแล้วงานมีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวได้อาจจะผิด พ, พลาดได้เกิดจากการบริหารจัดการไม่ดีแล้วก็มีสิ่งที่อะไร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 หลอเงินเดือนรอซีรอขั้นโบนัสสวัสดิการหลอหล้วหลายอย่างรอข้างหน้ามีความสุขครั้งเดียวเมื่อได้รับผลงานแต่ลืมไปว่าอีกต้องย8่สิบแดยวันอยู่การทำงานเนียสามารถแสวงหาความสุขได้โดยการปฏิบัติธรรมมีสติอยู่กับแดนงานมันมีความสุขทุกวันสุขทุกวันมีสติจดจอ่ออยู่กับงานเนียจิตมันก็เป็นสมาธิ มันก็ไม่ปรุงแต่งไปถึงอนาคตมันเพลินกับงานนะมันเพลินกับงานนะมันได้สุขทุกวันและพอไปถึงบรรทุดท้ายรับผลของงานมันสุขอีกวันหนึ่งโอได้ตั้งนานเลยนะสุขต้องสามสิบวันฉะนั้นเกณฑ์รับคือเริ่มมีความสุขจากการทํางาน<ม>ตั้งใจเต็มใจรักงานเห็นคุณค่าของงานทํางานให้เต็มที่ทํางานเพื่องานเอาตรงนี้ก่อน ก้าวแรกซะก่อนทานข้าวให้มันอิ่มเนี่ยต้องทีละคำมันต้องเริ่มจากคำแรกจึงจะไปอิ่มคำที่ติดอร่อยตั้งแต่คำแรกเพราะฉะนั้นเริ่มจากความสุขวันนี้ซะก่อนและต่อไปบ้านปลายเนี่ยมันก็สุขอีกอยู่แล้วสั่งสมไปเรื่อยๆใน่ไหมเคล็ดลับอยู่ตรงเนี้สร้างเหตุโดยการทํางานให้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจ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 นั่นอย่าไปเครื่องเครียดเลยเสียเวลาชีวิตเราข้างหน้ามันน้อยนักนี่ก็ตัว จ, จะถึงสองพสิบสองแล้วไงไปทุกไปเครียดทําไมให้เสียเวลาเวลาเหลื อ, น, อน้อยเนี่ยมันหาความสุขทําจิตั้งใจแล้วเบิกบานสุขโดยที่ไม่ต้องสแสวงหาเรื่องลงทุนทําใจใเบิกบานอย่าไปเสียใจเส้หนหมองและได้มีงานทํามีหลักของชีวิตอยู่แล้วคนไม่มีงานทําเนี่ยเครียดมาก ชีวิตมันว่างมากมันเครียดมากใช่ไหมปัญหาของคนเนี่ยไม่นคนทำงานปัญหาของคนเพราะคนไม่มีงานถูกไหมโชคดีแล้วที่เรามีงานเมื่อมีงานเนี่ยมันมีเพื่อนตามมานะถูกไหมถ้ามีงานและมีเพื่อนสมัยที่ผมพิการในใหม่เนี่ยไม่มีงานเพื่อนก็ไม่มีห้อยอยู่คนเดียวบนบ้าน ตอนทำงานมีเพื่อนมากแต่ตอนไม่ได้ทางานร่างกานทุพการเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยเงาเ<ม>ห็นขาดงานมันก็ขาดเพื่อนน่ะ<ม>ขาดงานขาดเพื่อนเมื่อมีงานมันมีเพื่อนได้งานได้เพื่อนแล้วก็ได้จิตได้ใจได้ประสบการณ์ได้ความอดทนได้การรับผิดชอบคนทำงานเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ได้รับผิดชอบได้ใจได้ปฏิบัติธรรมอย่างเมื่อกี้เนี่ยปฏิบัติธรรมแปการทํางานตั้งใจทํางานอย่างมีสติก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเผลอๆอาจจะบรรลุธรรมไม่ทุกก็ได้เห็นความจริงของชีวิตในขณะทํางานก็ได้ได้จิตได้ใจเราแล้วก็สําคัญคือได้เงินได้งานแล้วก็ได้เงินเห็นไหมที่เรามีเงินจับจ่ายใช้สอยทุกวันเนี่ย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 ชีวิตคนเราเนี่ยอย่ามุ่งแต่เงินมากไปเงินไม่ใช่เป็นเรื่องความสุขนะความสุขไม่ใช่อยู่ที่เงินเสมอไปเงินเปลียนเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกท่านั้นจะซื้อสหาจับจะใช้สอนคนที่มีเงินมากมีทุกมากก็มีคนไม่มีเงินเลยใจมันมีความสุขก็มี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 เราจะการเป็นคนที่มีความสุขแบบเขียวแห้งแบกเงินมาตลอดเวลาแล้วถ้ามีความสุขกักการทำงานได้ไหมแล้วก็เราจะเห็นคุณค่าของชีวิตโอ้ชีวิตเราเกิดมานี่มีคุณค่าแล้วการทำงานมันก็เป็นงานที่ทำแบบมีชีวิตชีวาไม่ทางานแบบสังกัดทาไม่มีชีวิตชีวานะ ถ้าสายการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยได้ทั้งสองอย่างเลยโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียได้กำไรชีวิตอนะ๋อเนอะบางคนก็ทำท่าจะเข้านิพพานแล้ว <c oughs> ภูมิใจนะพูดแล้วบางคนหลับเนี่ยโอสบายนะดีกว่าพูดแล้วคนเครียดอนะ่ะพูดแล้วเขาหลับเนี่ยเราไม่ต้องไปแจกยานอนหลับเพราะเขาอยู่บ้านเขานอนไม่ค่อยหลับ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 แต่เด้ไม่ออกไว่ได้ถามอะไรบางทีจิตใจเราเนี่ยเวลามันเริ่มคิดมีปัญหาปั๊บเนี่ยตรงนี้แหละมันหยุดยากแล้วพอเริ่มต้นเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีปลายเรื่องกลางเรื่องปลายเรื่องเนะนี่ยสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นถ้ามันคิดปับ๊บถ้าเราคิดต่อไปเนี่ยมันก็จะยาวให้ ร, รู้ทันมาโอ้ oh, นี่มันคิดแล้วนี่ตองนี้สติเกิดนะแค่รู้ว่าจะหยุดมันเนี่ย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 คิดต่อไปเรื่อยๆเนะ่ยมันก็จเจริญ ง, งอกงามในความคิดความคิดก็บันเจิดเผาจิตเผาใจตั้งใจออนี่มันเริ่มคิดแล้ววิธีการหยุดเนี่ยมีหลายอย่างเปลีย่ยนวิธีคิด่เปลี่ยนคิดใหม่มองสิ่งร้ายเป็นดีจากโกรธกลายเป็นมองในแง่ดีของคนคนนี้แล้วกดคนนี้ใช่ไหมมองในแง่โกรธเขากดธในตลอดชีวิตของเราอ่ะ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 ต้องวางฉันจะทำตรงนี้ก่อนนี่คืองานรักษาใจฉันอันนี้งานคิดงานเครียดเอาไว้ก่อนงานรักษาใจทําก่อนก็พยายามอย่าไปทําตามความคิดก็เราทําตามที่เราหายใจเข้าจะเ อ, อกบางทีเมื่อกี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะคิดต่อจะกลับไปจัดการนะความอนิจจังเกิดขึ้นเวลาเปลี่ยนแปลงไปแล้วจิตใจเราเปลี่ยนนะเวลาเปลี่ยนแปลงไปใจเราก็เปลี่ยนตามจากเคยโกรธบ้างเรา เสียเวลาโง่โกรธไปตั้งนานนะมันเปลี่ยนปั๊บจิตมันเปลี่ยนเลยเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนบางทีกลายเป็นชอบก็ได้เอาเรามันเกิดแค่ชั่ววูบมันชั่ววูบ <c oughs> อย่าเพิ่งทําอะไรเปลี่ยนยาบทชเพิ่เราซะจะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นดีก็ได้เพราะนักคนที่มีความเศร้า อ, อกหักรักหายใหม่ๆอาจจะทุกข์หน่อยปล่อยเวลาผ่านไปหาอะไร ท, ำทํำซะ อย่าไปหมกมุ่นจากอารมณ์การเวลามันรักษาแผลใจได้นะเพราะนั้นรอเวลาไปเอะจะเพิ่งฆ่าตัวตายอย่าเพิ่งทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำทำไปถึง ท, ทำได้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเลือนลางและมันจะไม่เหลือหลอและจะเสียดายว่าเราไม่น่าโง่โง่กโกรธโง่รักไปต้องนานที่แท้มันก็ไม่มีอะไรเลยนะเวลาผ่านไปทุกอย่างก็จบ เราจะคิดมากมาสักแค่ไหน 2,012 มันก็ไม่อยู่แล้วเนี่ะนั้นโอ้เวลาเหลือสั้นมากอย่าเสียเวลาคิดนอนต่ดีกว่ามันต้องคิดอย่างนั้นละแล้วก็หาอะไร ท, ำทํำซะอย่าไปหมกมุ่นข อ, อนิดนึงนะคะอาจารย์แล้วมันจะใช้เวลานานไหมคะบางทีมันเหมือนมีอคตินิความคิดอะคะ่ะวันนี้คิดพรุ่งนี้ก็ยังคิดอยู่เลยคะ่ะมันไม่นานหรอกมันนานเพราะเราคิดบ่อยๆพอคิดปั๊บ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 ตัดลากถอนโคนไม่รู้จักว่าความเหงาหน้าตาเป็นยังไงใ่ไหเพราะเราไม่ให้อาหารมันเราทำในที่ที่ควรจะทำทำตรงนี้ไม่บ่อยคนที่คิดมากมันทำให้จิตใจเครียดมากทุกมากกินมากเปลี่ยนใหม่เรามีสติมากๆดิเหมือสติมากๆสติมันเพชะคาตเพชะคาดความเครียดก็คือตัวสติ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 ใช่ไหมคะใช่ถูกแล้วถ้าเราไปหยุดมันโดยตรงเนี่ยบางทีมันไม่ไม่เพียงพอหรือว่าหยุดไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนยาบาดิะเห็นไหมหาอะไรทํำนะเปลินเพลินเดี๋ยวต่อไปมันก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรถาวรในโลกเนี่ยคนชื่อถาวรอย่างตายเลยเนี่ยนั้นมีอะไรถาวรตัวอย่างชั่วคราวดดัรงนั้นชีวิตเราก็ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็รู้สึกยินดีนะที่วันนี้ได้ได้มา แบ่งปันแง่คิดให้กำลังใจบ้างก็คงจะเอาไปฟังแล้วตรงไหนที่เป็นประโยชน์ก็จํเอาไปตรงไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งเอาไว้ไม่เป็นไรก็เหว่าสงวรแก่วเวลานะขอไว้พรในะทุกท่านเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญามีความผาสุกมีความเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตการงานแลวก็ชีวิ ต, ตจิตใจ ปราศจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด